โอมะโปคโลกาตเอกมูลกะในรยยี่สิบออนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกลามราคาอนุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยแอนเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในทุกเวทนาบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคาอนุสัยแอนเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัย บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุอารมณ์ธาตุและในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยเคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยเคือปฏิคานุสัยบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกรรมาธาตุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิจคานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปาธาตุอรูปาธาตุและในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตทุก์ บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอนาคามีบุคคล ในเวทนาสองในการมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนัน code, น้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุส <Pues voilà S 2> <nope. S 1> ัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึกเนือวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคะนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัย อรหันตบุคคลในภูมิท oh right. ั้งหมดไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคนนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานอนุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกเวทนาในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก์ บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหม บุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกลามาธาตุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยเคยคลามราคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่มีอนุใสเคือการมาราคานุสัยบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุใสเคอวิจิกิชานุสัยและก็ไม่มีอนุใสเคือการมาราคานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุใสเคือการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุใสเครภาวะราคานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและรูปธาตุ บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่แช่ไม่มีอนุสัยคือภาวาราคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่ น, น, นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวตัตทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือภวาราคานุสัยอนาคามีบุคคลในรูปธาตุและรูปธาตุ บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกลามรธาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึงในวัตทุข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอรหันต์บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัย แล้วก็ไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกใน so เวทนาสองในกามรธาตุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือกามาราคานุสัย บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกโภวเทวนาและในสภาวะธรรมที่ม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุ ส, สัยคือภาวาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุ ส, สัยคือกรารมราคานุสัยอรหันต์ บ, บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุ ส, สัยคือภวาราคานุสัยและก็ไม่มีอนุ ส, สัยคือการมราคานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุ ส, สัยคือการมราคานุ ส, สัยอันเกิดจากธาตุใด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 และก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอนาคามีบุคคลในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึงในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น และก็ไม่มีอนุสยัคสยคืออวิชานุสัยอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสยัยคือการมาราคานุสยัยและก็ไม่มีอนุสยัคยคืออวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสยัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคนนั้น <c oughs> ก็ไม่มีอนุสยัยคือกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ยี่สสองอนุ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 บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิคลานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในความธาตุในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิคลานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตถุ บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันตะบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยเคอมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยเคยปฏิคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยเคยมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยเคยปฏิคานุสัยอรหันตแต่บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยเคยมานานุสัย แล้วก็ไม่มีอนุสัยเฟลิปฏิคานุสยัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยเฟลิปฏิคานุสยัยอนันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสยัยเฟลิร์ทิธานุสัยวิจิกิชานุสัยอนันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนในเวทนาสองในกรามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยเฟลิปฏิคานุสยัยอนันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉาบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยและไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกาม m ธาตุในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุ บุคคลเหล<น> <Tamb son. S 2> ่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคลานุสัยบุคคลสองจำพวกในภูม <nie S 2> ิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคลานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิคลานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภาวราคลานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ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 อนาคามีบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่เช่นไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกามธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือภาวะราคานุสัย อรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมด um, ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอ um. น Al ุสัยคือภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจมพวกในทุกเวทนาบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ม่เช่นไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่งในวัตทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอรหันต์บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคืภวราคานุสัยแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอนุ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในครมามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ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 บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในจภาวาธรรมที่ไม่นับเนื่องหนือวัตตทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอรหันตต่บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากาธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือปฏิจคานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อยี่สิบสามอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือม า, านานุสัยอันเกิดจากาธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนในทุกขเวทนา บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึงในวัฏฏทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอรหันต์แบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยปฏิ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 ในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดไม่ม like ีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกในเวทนาสองในการมาธาตุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่มไม่ใช่ไม่ไมีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือภาวะราคาอนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอรหันตต่บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือภาวราคาอนุสัยแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอนุ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 บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอารหันตะบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อยี่สิบสี่ อนุบุคคลใดไม่ม no ีอนุส ouais. ัยเคยทิฏฐานอนุสัย right? อันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยเคยวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยเคยทิฏฐานอนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ร้อยยี่สิห้าอนุ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 แในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่งในวัตทุก์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสามในกลารรมธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยอรหันต์บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสาในกรามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ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 แต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุ์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือการมาราคาอนุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามทาตและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือการมราคาอนุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสยัยเคิมานานุสัยบุคคลนั้นน <|kn|>> ั่นแหละในทุกเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตฏทุกบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยเคยการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยเคิมานานุสัยอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยเคยมานานุสัยปฏิ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยและการมราคานะุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับนึงในวัตทุก์ บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยอรหันตตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัย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 บุคคลเหล่าน no <If> er ั้นไม่มีอนุสัยเคยวิจิกิจฉานุสัยและการมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยเคอปฏิคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกลามาตาบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยเคยการมร a k a นุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุ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 แล้วก็ไม่มีอนุใสคือภวราคานุสยัยอารหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสใสคือการมาราคานุสัยปฏิคานุสยัยแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากท่าใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏิคานุใสอันเกิดจากท่านั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนา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 <ส>บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัยอรหันต์บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยและไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัยอนุบุคคลไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 แล้วก็ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยอนาคามีบุคคลในเวทนาสามในการมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏ right. ิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่มีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัฏทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น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 ร้อยี่สิบปดอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากท่าใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากท่านั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากท่าใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัย และมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยการมราคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปติคานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น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 และก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคาอนุสัยปฏิคาอนุสัยและม า, านานุสัยอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกวามมธาต์ come, และในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยการมราคาอนุสัยและปฏิคาอนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุาสั ย, าาส ย, ส ย, ยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องเหนือวัฏทะทุกข บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยการมราคานุสัย และมานานุสยัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิคาอนุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในคามมาธาตุบ <avoir> ุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยและปฏิคาอนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือการมราคาอนุสัยและมานานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุ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 ในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่งในวัตทุข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยอรหันต์แต่บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือภาวราคานุสัยแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัย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 บุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยเครือการมาราคานุสัยปฏติกานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธานนั้นใช่ไหมวิใช่ติกะมูลกะในจบจะโตกะมูลกะในร้อยี่สิบเก้าอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยเครือคามราคานุสัยปัติกานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยอันเกิดจากท่าใด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 บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยการมราคานุสัยปฏิฆานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ก็ไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัย อนาค า, ามีบุคคลในเวทนาสองในกลางมธาตุในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุใสปรมาราคานุใสปัตตุคานุสัยและทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุ ก, กเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุใสอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยอารหันต์แบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยร้อยสามสิบอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตนั้นใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตนั้นใช่ไหมวิ บุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยพรามราคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรามธาตุบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น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 บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือภวราคานุสัยการมราคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือปฏิภาวนุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุสัยคือภวราคะนุสัยปฏิภาวนุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือการมร a k a นุสัยและมานานุสัยบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลเหล่านั้นไม่มีอนุใสคือภาวราคานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ก็ไม่มีอนุสัยคือการมรา k a นุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในความธาตุ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 มานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัเคื่อภาวราคานุสัยแล้วก็ไม่มีอนุใสเคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคืออกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุัย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 บุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคาน News, ุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยอันเกิลจากธาตุนั้นและก็ไม่มีอนุสัยคือวิชานุสัยอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยและก็ไม่มีอนุสัยคือวิชานุสัยปฏิ บุคคลใดไม่มีอนุสัยคือวิชานุสัยอันเกิดจากธาตใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยคือกลามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตนั้นใช่ไหมวิใช่ปั้จกรกะโมลกะในจบฉักกะโมลกะในร้อสาบเอดอนุบุคคลใดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัย มานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่มีอนุสัยเคื่อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในทุกเวทนาบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยเคือการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่ไม่มีอนุสัยคือวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกบุคคลนั้นไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่มีอนุสัยคือวิชานุสัยอรหันตะบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่มีอนุสัยคือกามราคานุสัยปฏิคานุสัย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 ชักกะมูลกะในจบปฏิโลมในสานุสยะวาระจบสานุสยะวาระจบ